เาะสังเกตว่าหลักใหญ่ๆเนี่ยก็ต้องมีคำว่าสติอยู่ในการปฏิบัติทั้งนั้นเลยอย่างเช่นอนุสติเห็นั้ยการปฏิบัติอนุสติกายัคตาสติเนี่ยบางคนคิดล่วงหน้าคิดไปเลยนะว่ามีอะไรบางเกี่ยวกับสติในทางทำานาปานาสติสติปทานสี่สติอินรีสติพล ะ, ระสติโพุทชง มันเยอะคำว่าสติสติเนี่ยในหลักการปฏิบัติเนี่ยทิ้งไม่ได้เลยแม้แต่ก่อนที่พระพุทธเจ้าจะเสด็จดับกันท่าปณิธานท่านยังเตือนสาวกว่าไม่ควรประมาทไม่ควรประมาก็ ค, รรากกคือการ mm. ดำเนินชีวิตอย่างมีสติพระย้อนกลับมาดูตัวเราเนี่ยตั้งแต่เราตื่นนอนมาตอนเช้าก็ทั้งหลับไปในตอนเย็นตอนค่าตอนมืดเราต้องใช้สติทั้งนั้น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 หมดสมบูรณ์อยู่แล้วในตัวคือรู้ได้ทั้งกายทั้งจิตพอํานาแล้วเนี่ยถึงเจริสติจนํานารู้กายจนฌานแล้วเนี่ ย, จ ะ, จ, นน ย, นนยจะรู้อะไรก็ได้จิตเกิดก่อนเออรู้จิตถ้าจิตยังไม่เกิดเออรู้กายมันมีเรื่องให้รู้ตลอดเวลาไม่ปล่อยให้จิตเลื่อนลอยเนี่ยผู้ที่ปึกใหม่ๆเนี่ยผู้ที่เริ่มปฏิบัติใหม่ๆพระอาจารย์โกศินั่นก็เล่า ว, ว่าก็มีผู้ที่สนใจมาปฏิบัติ อาศัยสถานที่นี้ปฏิบัติแม้แต่จะเป็นช่วงระยะเวลาเพียงครึ่งวันก็ดีกว่าที่เราเสียเวลาไปครึ่งวันดีกว่านะก็อาศัยรูปแบบการจาิติแบบเคลื่อนไหวอาศัยรูปแบบผู้ใหม่ๆก็ต้องอาศัยมีที่เกาะมีกลายเป็นเครื่องอยู่ชื่อว่าเครื่องอยู่นะแต่ว่าอย่าไปอยู่เลยกายเราเอาสภาวะที่เป็นเครื่องรู้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 ไม่ไปหมกมุ่นกับความคิดถ้าเราไปหมกมุ่นกับความคิดแสดงว่าติดเราไม่มีเครื่องอยู่แนละ้วหมกมุ่นไปกับความคิดอันที่จริงแล้วก็มันเหมาะนะการมีสติรู้กายเนี่ยมันเหมาะสาหรับคนที่ติดอารมณ์ติดความคิดชอบคิดติดใจฟุ้งซ่านก็คือไปกับความคิดเรื่อยๆคนที่หลงไปก็หลงนานหรือเป็นคนที่ไม่ตื่นง่วงอาหาอนอน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 ตามทันทันควันก็ตัดความคิดลงไปได้ต่อหน้าต่อตาใช่ไหมมันก็เล่งอยู่อย่างงี้แหละมีกายมีสติมีจิตมีความคิดก็วนเวียนอยู่อย่างงี้แหละในโลกเนี้ก็มีที่คือจเจริญไปมากรู้สึกกายเคลื่อนไหวไปเรื่อยๆที่เราก็จะเห็นความคิดเห็นความคิดตัวเนี้ยตอนเห็นตอนที่สติมันตื่นแล้วเนี่ยพอเห็นความคิดเนี่ยมันก็สบายแล้วไม่ต้องต่อสู้แค่รู้แค่ดูแค่เห็นนันก็จบ ความคิดมันก็จะขาดสะบั้นไปเลยมันเกิดการสปาร์กมอนไฟช็อตไปความคิดมันขาดไปเลยถ้ามันตื่นนะเนื่อนการฝึกเนี่ยคนที่เริ่มต้นใหม่ก็เริ่มสนใจเรื่องของกายต่อไปมันก็จะไปเห็นจิตเห็นความคิดต่อไปก็ชํานาญแล้วไม่ต้องไปดูอะไรแล้วมันเกิดขึ้นเองสติมันเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติด้วยความเกิดจิตมันเกิดเองเกิดเองต่อไปก็ไม่ต้องไปทําไม่ต้องไปเจตนาเขาก็ชํานาญเขาเอง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 สิ่งที่เกิดรอบๆตัวเราสติเป็นหน้ารอบรอบตัวเราคือสติถ้าเพ่งจุดได้จุดหนึ่งเนี่ยมันก็คือสมาธิรู้กว้างๆรู้เบาๆห่างๆแบบผ่อนคลายจิตมันก็จะผ่อนคลายไม่เครียดละเมื่อจิตผ่อนคลายมันก็จะเป็นกลางนะจิตที่ผ่อนคลายทำใหจิตมันเป็นกลางถ้าจิตเป็นกลางเป็นกลางระหว่างที่เราไม่เพ่งเข้าไปสู่ข้างในเกินไป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 พาภรยาไปทานข้าวขับไปกลางทางเจอร้านรับซื้อของเก่าเลี้ยรถเข้าไปเลยไปจอดหน้าร้านภรยาบอกมาจอดทำไมนี่นี่เขารับซื้อของเก่าเออนี่ก็เก่าเลยนะ <c oughs> มีแต่เรื่องอันนี้จังทุกครั้งหน้าตาต่างนันเลยโอภรยาเลยสันเตินจเจริญพรสามีนอนหลับสบายเพราะนั้นเรื่องความคิดต่างๆมันเป็นขยะทิ้งลงทางขยะ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 เวลาตายก็ตายดีเวลาเกิดก็เกิดดีมันเป็นวิบากดีแล้วกันความสุขอยู่ไม่ไกลถ้าใจเรามีสติง่ายนะเนี่ยาการเจอสิ่ง่ายรับรองว่าง่ายง่ายเพราะอะไรผู้สติเนี่ยหน้าที่รู้หน้าที่ดูหน้าที่ทาความเข้าใจเป็นผู้สังเกตการไม่ใช่ผู้ทำการ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 ในทางโลกบอกว่าหมดเนื้อหมดตัวโอ้โหลมละลายเลยไม่ต้องทธรรมดีสิจะได้ไม่มีตัวเพราะการปฏิบัติเป็นไปเพื่อความปล่อยวางตัวตนเพราะไม่ยังเพราะจะปล่อยวางกอยังนยังเสียดายอะไรอยู่ปล่อยวางกลายปล่อยวางใจปล่อยวางแม้ทั้งจิตผู้รู้เองก็เอาไม่ได้เพราะสิ่งเนี้ยมันเป็นสิ่งปรุงแต่งเกิดดับทั้งนั้นมันก็จะไม่เหลืออะไรเอ้จีบัติคอิสระฝึกรู้ฝึกปล่อยฝึกวางไบ้าง